ตอนนี้ไปก็ของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังคําอธิบายสัสินาทีเสร็จเสร็จแล้วในขณะที่บรรดาท่านผู้ถวายสัทตั้งใจฟังเริ่มต้นทําสมาธิจิตในตัวคําว่าทําสมาธิจิตไม่ใช่หมายถึงภาวนาตั้งใจฟังตั้งใจคิดตามตั้งใจละ ไปตามกระแสเสียงที่พูดอย่างนี้เที่ยวทำสมาธิจิตพร้อมไปววิปัสนาญาณสำหรับในตอนกลางคืนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นการแนะนำในการปฏิบัติในด้านสุขวิปัสสโกคำว่าสุขวิปัสสโกนี้ปกติแล้วไม่มีทิพยคุญานไม่สามารถท่องเที่ยวบนภพต่างๆได้ แต่ว่าถ้าวรันดาแตนพุทธบริษัทที่ทำมโนยิธิได้แล้วก็ใช้ตต่กำลังของท่านอันดับแรกปฏิบัติเหมือนกันก็คือหนึ่งตั้งใจลงพิพิธนายานตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นมนุษย์มีสภาพเป็นทุกข์ความหิวความกระหายก็ทุกข์ การประกอบกิจการงานต่างๆก็ทุกการป่วยไข้มาสมบายก็ทุกความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกการพัดพากจากของรักของชอบใจก็ทุกความแก่ก็ทุกความตายจะเข้ามาถึงก็ทุกจงคิดตามความเป็นจริงว่าถ้าเราหวังเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้กี่ชาติเราก็ต้องมีแต่วความทุกอย่างนี้ทุกชาติไป ทรัพ ส, สมบัติทั้งหลายที่หา ม, มันได้ตายแล้วก็สลายตัวเป็นสม บ, บัติของบุคคลอื่นตัวบุคคลอื่นต่อไปเราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปอีกถ้าเราจะไปเป็นเทวดาถ้าผมก็ต้องคิดว่าเทวดาก็ดีผมก็ดีมีความสุขจริงแต่ก็มีความสุขจะไม่นานทั้งหมดบุญบาบรมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งบรรดาแานพุทธบริษัทหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เคยเกิดเป็นเทวดาและผุ่มกระมันมแล้วนับชาติไม่ทนแต่เมื่อบทรลุว ส, สนาบารมีแล้วก็มีวิากะจะอยู่ต่อไปต้องกลับมาเกิดเร็รถบงังเกิดไปสวยเกิดเป็นสัตว ร, รุกบงังเปดตบงังอสุรกายบ้างสติฉันบางไม่มีการทรงตัวเต็มไปความทุกข์ ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายตัดสินใจเพียงแค่สั้นๆว่าขึ้นชื่อวการเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เขามีชาตินี้ชาติเดียวต่อไปจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นเทวดาก็ไม่เอาเป็นพรงก็ไม่เอาขอไปนิพพานจุดเดียวสำหรับลีลาการเบ่งนิพพานบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายมีหลักสูตรในพุทธศาสนาเป็นการปฏิบัติ อันดับแรกของบรรดาแต่พุทธบริษัทยึดอารมณ์ระโสดาบันไปก่อนสำหรับอารมณ์ระโสดาบันนี้เพราว่าระโสดาบันเขแปลว่าเข้าถึงกระแสปณิพันธ์ถ้าเป็นประโสดาบันแล้วไม่ต้องเกิดในบาย่อมิท้งสี่มุ่งหน้าปณิพันธ์ตรงถ้าท่านมีสติสัพจัญญะดีมีปัญญาดีไม่ละเป็นในการปฏิบัติ ม, มีมุมาณะปฏิบัติพยายามดีจะไปนิพพานได้ในชาตินี้แต่วิธีปฏิบัติเริ่มต้นอันดับแรกของบรรดาแต่พุทธบริษัทกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนการใช้คำภาวนาสำหรับสุขาวิสุโกไม่จำกัดท่านพูนใ ด, ดเคยภาวนาแบบไหนคล่องมาแล้วให้ปฏิบัติตามนั้นไม่ต้องเปลี่ยน ถ้าว่าท่านที่ไม่เคยภาวนามาเลยไม่เคยปฏิบัติเลยจะใช้คำภาวนาว่าพุทโธก็ได้นมะพุทธะก็ได้ถ้าคิดว่าตอนกลางวันเราจะฝึกอภิญญากับเขาที่เรียกกันว่ามนโนยิทธิเป็นหมวดก็อวิญญาก็ไอซ้อมคำภาวนาวันมะพาทธะไปเลยถ้าคิดว่ายจะแค่สบายก็ภาวนาว่าพุทโธ แต่สําหรับภาวนาในใหญ่คละกันตั้งใจพุทธโธก็เป็นพุทธโธไปเลยตั้งใจนิมมบาฏะก็เป็นนิมมบัฏะไปเลยใมืการภาวนาคู่คู่กับลมหายใจให้ใจเข้านึกตามว่าพุทธให้ใจออกนึกตามว่าโทรหรือว่าให้ใจเข้านึกตามวันะมะให้ใจออกนึกตามมาภาทะ สำหรับการนั่งให้นั่งตามสบายาพับเพียกก็ได้คาตมายก็ได้ถ้าปวดท่าเมื่อยจะเป็ี่ยนอยิยาบทพิกซ้ายพิกขวาก็ได้อย่าทนเมื่อยเกินไปในเมื่อท่านนั่งหลภาวนาจนเป็นที่จิตสบายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ได้มโนยิทธิอยู่แล้ว วาปรองขันห้าแล้วพยายามจับพระรูปพระโฉมองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสตัดชิ้นใจพุ่งไปนิพพานทันทีไปอยู่นั่นให้จิตเป็นสุขอยู่ต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นท่านจะไปไหนก็ได้ตามมัธยญาใสอนนี้ต่อมาก็ก่อนที่จะพ้นไป ก่อนที่จะภาวนาให้ตัดสินใจยึดอารมณ์ปัจจุบันไปก่อนความจริงอารมณ์ปัจจุบันนี้ไม่ยากเป็นของง่ายๆสองอย่างบรรดาแทนพุทธบริษัทมีอยู่แล้ว mm. ก็อาจจะบกพร่องอยู่อย่างเดียวมีสามอย่างด้ยวยกันก็คือหนึ่งอันดับแรกมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันจะต้องตาย อย่างนี้ก็ไมาต้องใช้ปัญญามากเพราะคนและสัตว์ตายให้เราเห็นอยู่แล้วถ้าใครไม่นึกพิจรณาความตายก็แสดงว่าคนนั้นโง่เต็มทีเพราะเพราะคนทุกคนก็นดีสัตว์ทั้งหมดก็ดีเกิดมาต้องตายอันนี้เป็นของธรรมดาคิดว่าเราจะต้องตายแน่แต่การตายเรามีบาปอกุศลติดตัวแล้วก็ไปสัวไบยภูมิคือมันเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตสุรกายสัตวิชนัน เกิดมาเป็นคนก็เป็นคนรวยไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้ต้องเป็นคนเลวเป็นคนจนถ้าหากว่าเรามีบุญติดตัวถ้าบุญน้อยเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาสมาธิดีเราก็ไปเกิดเป็นพรหมถ้าจิตใจเราไม่ยอมร่างกายไม่ยอมมนุษย์โลกเทวโลกตระพรมโลกเราก็ไปนิพพาน นี่คิดตามความจริงแบบนี้เราคิดว่าตอนนี้ไปเราจะตัดอายาคุมทั้งสี่ม็นรกเป็นต้นไม่ไปอีกคือจะยึดอารมณ์มโสดาบันให้ส่งโต้ก็คือหนึ่งเช้ามืดก็ดีตื่นใหม่ๆก็ตามหรือว่าตอ น, นหลักก่อนหลักก็ตามคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่การตายครั้งนี้เราจะไม่ยอมไปอายาคุมทั้งสี่ม็นรกเป็นต้น อย่างเลวที่สุดไปข้ามทิศสวรรค์อย่างกลางเป็นพรมถ้ามีกำลังเข้มแข็งขอบวิญญาณทันทีเราจะไปได้อย่างไรอารมณ์ที่สองก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริอรยสงฆ์ด้วยความจริงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ ก็มีความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อยู่แล้วข้อนี้เราได้แล้วข้อดีสามที่ต้องละคือทรงศินห้าให้บริสุทธิ์สำหรับสินห้าในบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งข้อนั้นจะพาท่านลงนรก ยองอยาคิดประมายคิดว่าอีสี่ข้อรักษาได้ข้อเดียวไม่เป็นไรมันไม่ดึงกันในบรรดาเทพุทบริษัท์พอถือว่าเป็นปล่องใหญ่ตกปล่องไหนหลบปล่องไห น, งนเราก็ต้องลงไม่มีปล่องอื่นเขาไม่ช่วยปิดต้องระมัดระวังสินห้าคืนหนึ่งเราจะไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติปนิกาม สีไม่พูดโาสาวาดหาไม่เดิมสุราจะมีไรชิ้นห้าที่เราจะปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาท่านบริษัทต้องมีเมตตากับกุณาาต้องสมรจกการเป็นพื้นฐานคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารถ้าเรามีความรักมีความสงสารอยู่ฆ่าเขาก็ไม่ได้ ทำร้ายร่างกายก็ไม่ได้เพราะรักเพราะสงสารรักเขาโวยก็ไม่ได้เพราะรักสงสารเพราะรักสงสารแล้วเมิดสิทธิในความรักเขาบุคคลอื่นเขาทำไม่ได้เรารักเราสงสารละเมิดไม่ได้คนที่เรารักหรือที่เราสงสารเราก็ไม่กล่าพูดโมสาวธถ้าเรามีความรักมีความสงสารตัวเองและบุคคลในครอบครัวเราก็ไม่ดื่มสุรามีไร เพราะเสียทรัพย์สินต่างๆถ้าบรรดาท่านพุทธววสัทยนหลายทรงสินห้าริการนี้ได้ครบถ้วนได้จิตทัองท่านตั้งใจหวังจุดเดียวคือนิพพานคิดว่าชาตินี้ถ้าร่างกายเมื่อตายเมารไยรข้ปาปณิพันธ์เมือ น, นั้นพระมทั้งหมดนี้ส่งตัวพระพเจ้าทรงรียกว่าพประโสดาบัน การเป็ น, นบระโสดาบังก็มีความรู้สึกไม่ยากฉะนั้นเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อท่านอย่างหลายโปรงสังขารร่างกายเห็นว่าร่างโลกนี้เป็นทุกข์เราไม่ร้องกายกลับมาเกิดอีกที่ว่าโลกเราพุ่มมาโลกประสบจริงแต่สุขไม่นานเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานเมื่อตัดสินใจเรียบร้อยแล้วต่อ น, นั้นไปก็จับลมหายใจเข้าออก ให้ใจเข้าภาวนาตามให้ใจออกภาวนาตามภาวนาตามอธิยาสัยของท่านที่ลของตัวเสมหรับท่านที่ได้มโนยุทธิ์แล้วให้ใช้คำวนาวันมะมาพะทะขณะภาวนาอยู่ให้จับพระรูปพระชงฆโ อ, อง์สมเด็จตัส ม, มาธิพระเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสต่างกำลังแล้วก็พูงใจปณิพันธ์ กลับลงมาที่บรรดุกมพลชีลอาจไหวท่านโป้ลงมาที่พระจุลลาวณีไหวพระในที่นั้นมีพระพุทธเจ้าประทับมีพระราหันอยู่หลังจากนั้นก็ตัดชิ้นใจไข่ชวนเรื่องหัศีลคือไข่เรื่องพระพุทธเจ้าพระรับพระอริยสงฆ์เราไม่สงสัยแล้วรักทรงตัวได้แล้วก็คําว่าศีล น, นี้ไม่ต้องภาวนาก็ได้นึกถึงศีลคิดละ คิดไม่ละเมิดศีลเป็นอสเปนศีลานณสติกรรมฐานใครควรคิดว่าศีลทั้งห้าข้อนี้มีข้อไหนบกพร่องบ้างข้อไหนที่รักษาได้แล้ ว, ลวรราาหรือยังรักษาส่งตัวไม่บกพร่องที่บกพร่องจะส่งจะสามารถทำให้สงตัวให้ได้ขณะที่พิจารณาไปใครควรไปอย่างนี้ ท่านเรียกว่ามีสมาธิหรือมีฌานในศีลานุสติกรรมฐ า, านจงกว่าจะหมดเวลาอย่างนี้ก็ยงดีใหญ่สำหรับเรื่องสิ่งก็ดีพระบิดาเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีการนึกถึงความตายก็ดีการนึกถึงนิพพานก็ดีขบรรดาจะพุทธบริษัททุกท่านกลับไปบ้านต้องนึกอยู่เสมอ ต้องทําให้ทรงตัวถ้าบุคคลใดทรงอารมณ์ทั้งสามการนี้ได้คือหนึ่งนึกถึงความตายสองคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นปกติ 3. สทรงสินห้าปกติสี่จิตทึกนึกต้องการมิถิพานจุดเดียวอย่างนี้กรรมฐ า, านที่บรรดาแทนพุทธบริษัททําได้จะไม่มีคําว่าเสื่อมท่านที่ได้มโนยิธิแล้วทิพุคุญานจะจําใช้ตลอดเวลา ขอบรรดาุทนบริษัททั้งหลายโดยทุว น, นาเวลาก็จะหมดตอนนี้ไปก็ขอสาวว่าคุณองค์สมเด็จพระบระมสุคตเริ่มปฏิบัติได้อันดับแรกตัดใจไม่ต้องการมนุษยโลกเทวโลกกับพุทธโลกต้องการวิพญาณจุดเดียวเพราะมนุษย์โลกเป็นทุกข์หลังจากนั่งคร่ควรถึงความตายว่ามันจะมีหลังตอนนั้นต่อไปก็ยอมรับทับถีความดีของพระเจ้าประธรรมและพระอริสงุง ต่อไปก็จิตเข้าไปโปรง่งเรื่องสินห้าหครบอบต้นต่อไปก็ภาวนาถ้าไม่เคยภาวนามาก่อนใช้คำาวนาวพุโทโธให้ใจเข้านึกวัพุทใหใจออกนึวทัทโธนึกว่าจะภาวนาวันะพระนะมะพระทะก็ดีกพะจะฝึกมโนยุทิยตอนกลางวันให้ใจเข้านึกวนันนะมะใจออกนึกพระทะสาหรับท่านที่ได้มโนยิธิแล้วจับพระงงองค์ไปฉงองสมเด็จตัวสัมมาทัตเจ้าแห่งชาตจริงจําใส แล้วก็ผู้งใจปนิาพานหลังจะนั่งกระโลงใจคิดว่าถ้าร่างกายนี้ตายเมื่อไร่เข้าไปนิมาที่นิพันธ์เหมือนั้นแร ะ, ะบรรดาธรรมพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดแล้วตอนนี้ไปเขาองค์สมเด็ชรัสาวกเขาองค์สมเด็จพระปฏิแก้วเริ่มปฏิบัติได้จะให้เวลาไว้สามสิบนาทีตอนนี้ไปทุกคนเริ่มปฏิบัติใจ